ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูขอเจอเริญพรท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์วันชัยสิริชนะอธิการบดีมหาวิทยาลยัยแม่ฟ้าหลวงท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีคณ า, าจารย์น้องๆนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจไปทำทุกท่าน เมื่อกี้ฟังน้องๆเล่านิทานไปสองคนพระอาจารย์ก็มีเรื่องเล่าทุกครั้งที่แสดงธรรมพระอาจารย์มักจะมีเรื่องเล่าเสมอและด้วยเรื่องเล่านั้นเองทาให้ทุก ว, วันนี้ได้เดินสายบรรดาธรรมไปเล่าเรื่องเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเรื่องเล่า ลองสังเกตดูก็ได้ถ้าเราฟังครรมบรรยายล้วนๆผู้เล่าเรื่องไม่มีเรื่องเล่าสักครั้งเดียวเดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าผู้เล่าเรื่องเต็ไมไปด้วยเรื่องเล่าการฟังธรรมเหมือนการฟังทอลคโชว์และมีความสนุกมีความบันเทิงเช่นเดียวกัน ฟังน้องๆเล่าไปสองคนสองเรื่องแน่คิดว่าคงมีอีกเป็นสิบเรื่องอาจารย์ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเอาสักสามเรื่องพั้นที่หนึ่งอยากเล่าเรื่องของตัวเองก่อนเพราะวันนี้น้องๆนักเรียนนินนนนสิตสนักศึกษาเยอะ พวกเราทุกคนยังอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาหาความรู้การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากปราดทั้งว่าฐานของตึกคืตฐานของชีวิตคือการศึกษาคํานี้ยังคงเป็นสรจัธรรมที่ใช้ได้อยู่เสมอทําให้ย้อนกลับไปนึกถึงวัยเยาว์ของตัวเองตอนนี้พระอาจารย์เรียนหนังสือ ตั้งแต่ประเดยนหนึ่งถึงระเด็นทําเก้าประโยคหนักที่สุดก็ตอนจะสอบประเรียนทําเก้าประโยชน์พราถือกันว่าเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาคณะสงฆ์จบมาก็คือจบ PhD หรือดร์นั่นเองทีนี้เรียนบาลีนั้นไม่เหมือนพวกเราเรียนตามมหาวิทยาลัยอย่างนี้ถ้าเราเรียนอย่างนี้ทุกปีการันตีว่าเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสี่ปีก็จบแต่เรียนบาลีไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ละประโยคสอบหนึ่งครั้งได้ก็คือได้ตกก็ตกไม่มีคะแนนเก็บไม่มีคะแนนพิทวาสร์ไม่มีคะแนนเสน่หาไม่มีคะแนนดินไม่มีคะแนน ส, น, น, น, น, นสุขไม่มีเขียนรายงานส่งหรอกเรียนไปเถอะหนึ่งปีถึงเวลาสอบสนามหลวงสอบสนามหลวงไม่ได้ไหมายความว่าไปนั่งสอบกันที่สนามหลวงนะ สอบสนามหลวงหมายความว่ า, วาการสอบที่แต่เดิมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมานั่งเป็นประธานของการสอบและผู้เข้าสอบไปนั่งสอบต่อหน้าสมเด็จพระราชาคณะในหลวงประทับบนพระราชาอาสน์หรือบนพระเก้าอี้สมเด็จพระราชาคณะนั่งหลอมวงกัน แล้วนักเรียนที่จะสอบก็เข้าไปทีละรูปทีละรูปทีละรูปลูกหลานลองคิดดูนะในหลวงเป็นประธานสอบนะสมเด็จพระราชาคณะทั้งนั้นเป็นกรรมการสอบบางปีเนี้ยสอบไม่ได้เลยทั้งประเทศนะทำไมแค่ประคองตัวเองให้มีสติครบถ้วนะต่อหน้า ประธานกรรมการสอบก็ยากแล้วนั่นเองเราจึงเรียกการสอบบาลีของพระพิจุตสมนเนรว่าการสอบสนามหลวงเพราะมีในหลวงเป็นประธานทุวนี้การสอบสนามหลวงก็ยังคงอยู่ปรรียนธรรมเก้าประโยคประธานกรรมการคุมสอบสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี หลวงพ่อวัดปะะักน้ำท่านยังตรวจข้อสอบอยู่นะเพราะฉะนั้นการสอบได้ประเด็นธรรมเก้าประโยคจึงเป็นเกยียรติยศทางวิชาเกยียรติยศทางวิชาการอันสูงสุดของพระสงฆ์ไทยเมื่อสอบได้ประเด็นธรรมเก้าประโยคแล้วถ้ายังไม่อุปสมบทเป็นพระในหลวงจะเป็นเจ้าภาพ อ, อุปสมบทให้เรียกว่าอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ แต่เท่าเป็นสมบัติแล้วจะได้รับพระราชทานพักยศภระตรายปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านรับที่วัดพระแก้วดูเหมือนจะเป็นปริญญาใบเดียวในประเทศไทยนะที่ไปรับในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศสสนารามพระราชทานเป็นพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานปริญญาบัตรพักยศเสร็จแล้วไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะ กลับออกจากพระราชวังรพระแก้วปั๊บจะขึ้นแท็กซี่กลับวานไม่ได้นะต้องนั่งบนรถยนต์หลวงรอย อ, อมีมหาเล็กราชองครักษ์สองคนขนาดซ้ายขวาในชุดเครื่องแบบสีขาวเต็มยศนะคนหนึ่งเชิญพักคนหนึ่งเชิญปริญญาบัตรและไตรพระธาน เราซึ่งเป็นประเด็นเก้าเราขึ้นนั่งรถยนต์หลวงกลับวัดมีรถตำรวจนำชีวิตไปอีกระดับหนึ่งนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นไม่ง่ายต้องดูหนังสือสอบแทบล้มประดาตายนะรู้ไหมสมัยที่จะมาดูหนังสือสอบดูไปดูไปก็ทอ้อวันไหนที่มันทอ้อมันก็หอ่อซุดลงไป พอหมดกำลังใจจริงๆร้องไห้แล้วก็ถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เพื่อนๆเขาไปเรียนมหาวิทยาลัย <ๆ S 1> เรียนมหาจุฬาชีพนี้จบหมดนะ <ๆ S 1> เราเลือกเรียนปาเรนี่ปีที่ส0แล้วนะจะสอบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หมดกำลังใจจริงๆขึ้นมาก็ก็ร้องไห้พอมีกำลังใจขึ้นมาก็ฮึดดูต่อ วันหนึ่งมันนั่งมองหนังสือมันหนาแล้วเกินแต่ละเล่มแล้วไม่มีรูปประกอบนะไม่มีสรุปไม่มีจุดประสงค์นำทางจุดประสงค์ปลายทางไม่มีอะไรทั้งสิน้นเปิดหนังสือมาเป็นภาษาบาลีพึบได้เป็นได้ตกเป็นตกและสอบเตาีมทำเก้าประโยคนี่นะต้องเขียนบทความเป็นภาษาบาลีและบทความนั้นจะออมาจากไหนก็ไม่รู้ ในปีที่อาตมาสอบบทความนั้นเป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในงานออกมหาสมาคมวันที่4ธันวาคมของปี1สอบกัน700รูปสอบได้จริง63รูปเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงรัตะนโกสินทร์ พอเ็ไปนั่งสอบเนี่ยเพื่อนบางคนเห็นข้อสอบปุ๊บเข่าทุดเลยทรงกระดาษเล่าเพราะ็สอบนั้นลวงนักศึกษาเช่นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสด็จราชการที่เกล้าแห่งพระบรมราชจั ก, กรีวงโอ้ยาวขนาดนี้แล้วจะเขียนเป็นภาษาบาลีว่ายังไงอะ มันลวงนะเพื่อนพระอาจารย์ดูหนังสือเองไม่จินกันสนามสอบพอไปเจออย่างนี้ปับ๊บภายในห้านาทีเดินไปส่งกระดาษเปล่าแต่พอเราพลิกกระดาษขึ้นมาเราอิชื่อในหลวงยาวเบยสามบรรทัด พ, พระอาจารย์ใช้คำสองคำพอเราเตรียมมาแต่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินท ร, รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาสมหารพระองค์ผู้สรพระคุณอันประเรสริฐทรงมีพระระาชธรรมในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนต่อเนื่องและก็ยาวนานสามบรรทัดนะนักศึกษาตัวจริงที่เตรียมมาเป็นอย่างดีใช้สองคำนวะวโมราชาราชาก็คือพระราชานวะวโมก็คือพระองค์ที่เก้าราชการที่เก้าใช้สองคำ ยาวเป็นวานนี่นักเรียนที่ไม่ชินกับข้อสอบนั่งหดโหนลโอ้ฉันจะแต่งเป็นภาษาบาลียังไงเนะสอบเกือบพันได้หกสิบสามรูปที่เหลือไปไหนร่วงหมดแลถ้าร่วงทำไงถ้ายังสู้ต่อปีหน้าสอบใหม่บางรูปสอบอยู่สามสิบปีบางรูปสอบสิบปีบางรูปสอบเจ็ดปี ตังรูปทิงไปเลยแต่ก่อนที่จะถึงวันสอบพระอาจารย์ก็ดูหนังสือแทบล้มกระดาตาอย่างนั้นร้องห่มร้องไห้หลายครั้งวันหนึ่งมานั้งพิจารณาหนังสือมันหนาเลอเกินก็เลยพลิกดูแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยเอาคัตเตอร์มาชำระแต่ละบทแต่ละบทให้มันออกจากกันแล้วเอาแม็กซ์ยับแต่ละบทกลายเป็นเล่มบาง เดินไปไหนยูไปด้วยแอนพริกดูชื่นใจนะมันบางแล้วทีนะ่ะหนังสือแต่แล ะ, เ ล, ะ เ, นนนะ เ, เล่มแต่ละเล่มหนาๆเนี่ยเป็นสิบเล่มเนะ่ยราจารย์ชำแรละหมดเลยเอาเมฆยับเนี่ยลูกหลานเราไปใช้นะสภาพจิตดีขึ้นทางตางเห็นนะนี่เป็นกุศโลบายการหลอกตัวเองทางวิชาการจิตใจมันดีขึ้นมาเออมันไม่หนานดิว่าวันหนึ่งเนีดูได้เป็นสิบเล่มเพราะว่าเราเราจําแหละ แต่ละบทแต่ละบทแล้วกลายเป็นบทบางๆ บ, งบงแต่พอมารวมกันมันหนาปุ๊บอย่างนี้พอเมาวางปุ๊บเหตุมันหดหูเมื่อไหร่มันจะถึงหน้าตื่นท้ายและไม่ใช่แค่าอ่านนะบาลีนี่ไม่ใช่แค่าอ่านนะอ่านด้วยทําความเข้าใจด้วยและต้องจําด้วยจำนั่นแหละสําคัญที่สุดถึงขนาดมีคําบอกเล่าเก้าสิบเอาไว้ว่าเรียนบาลีมีคติสามประการ หนึ่งถ้าไม่ส่งมัน่นก็สองน้าผ่าจะล้านสามก็สติมิปรา <c oughs> เดชะบุญเราได้แค่ส่งมัน่นสติสตั้มยังดีอยู่และทุกวันดูหนังสือไปร้องห่มร้องไห้วันอมของเกินวันหนึ่งเกิดปิ๊งขึ้นมาล่ะ จิตมันก็สอนจิตว่าเอาละวันนี้เธอลําบากแต่ถ้าเธอยังสอบตกอยู่ถ้าเธอยังไม่สู้นะเธอจะสอบตกแล้วปีหน้าจะต้องมาเจอกับสภาวะแบบนี้อีกจะเอาไหมจิตมันสอนนะจิตนะจิตหนึ่งก็ตอบขึ้นมาม่าไม่เอาฉันจะลําบากปีนี้ปีเดียวพอก็ฮึดสู้ฉันสู้ขึ้นมาก็ตั้งปณิฐาน เ, าเอาละ เราจะสู้ให้ถึงที่สุดถ้าเราสอบได้เราจะไม่ต้องพาตัวเองกลับมาอยู่ในสภาวะทุกตรงของไม้บหมืหมนกลัน้นหายใจอยู่ใต้น้ำอีกแล้วแต่ถ้าเราขี้เกียจเราจะต้องกลับมาดูหนังสือแบบนี้ทุกปีซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้าอี ก, อกจะเอาไหมจิดมันก็บอกไม่เอาพอโปรแกรมจริตเรียบร้อยว่าเราจะลำบากปีเดียวหลังจากนี้ถ้าเราสอบได้คําว่าประเด็นธรรมก็ประโยคจะกลายเป็นดัชนีอยู่ท้ายชื่อเราไปตลอดชีวิต นั่นคือผลที่เราคํานึงถึงพอคิดได้อย่างนี้ปั๊บทุ่มเทดูหนังสือแทบล้มกระดาษตายเลยแล้วก็ไปตัดสติกเกอร์มาแปะหน้าห้องตัวเองด้วยสติกเกอร์นั้นมีข้อความว่าสิ่งที่เธอทำจะนำเธอเข้าไปใกล้เป้าหมายหรือไม่เดินเข้าเดินออกก็เห็นทุกวันเห็นทุกวันกลางคืนมามันอยากดูทีวีเอาละหลังข่าวแรงเงาจะมาล้ว แต่จิตมันก็สอนจิตว่าในข้อสอบเขาไม่ถามว่านางเอกละครเรื่องนี้ชื่ออะไรปิดทีเลยมันนี่เกี่ยวกับที่จะสอบเนี่ยตื่นมาตอนเช้าหนังสือพิมพ์มาส่งแล้วเราเคยอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าแต่ใกล้สอบจิตมันก็ถามตัวเองว่าเขาจะถามถึงข่าวในหนังสือพิมพ์ไหมเขาก็คงไม่ถามก็เลยเอาหนังสือพิมพ์ที่รับทุกเช้า สอบเข้าใต้เตียงจนใต้เตียงเต็มไปด้วยหนังสือพิมซึ่งรออ่านโยม่พระพันรรักวันรัตตั้งห้าฉบับอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบพระจันทร์ทิ้งทั้งหมดช่วงนั้นงดบินพ บ, บาทไปเลยสองเดือนห้ามเยี่ยมห้ามประกันไม่รับแขกถอดสายโทรศัพท์เอาแล้วเอาอะไรมาฉันบอกลูกเจ็ดไปหาโยมหลังวัดช่วยจัดท่งเป็นโตให้หน่อยตลอดสองเดือน ฉันจะจำกัดสิ่งซึ่งไร้สาระทั้งหมดออกจากชีวิตโฟกัสกับเรื่องการสอบอย่างเดียวเราต้องปฏิเสธพันสิ่งเพื่อเลือกที่จะทาเพียงบางสิ่งและบางสิ่งนั้นถ้ามันดีพอมันจะลอเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตถ้ า, าการตัดสินใจปฏิเสธนับพันสิ่งเพื่อทำสิ่งเดียวนั่นคือการทุมเทโดนหนังสือสอบรถบินท่าบาขขอให้ยอมถวายอาหารเป็นโต สองเดือนงดอา่านหนังสืพิมพ์งดดูโทรทัศน์งดพ บ, บปะผู้คนหุ่งเทเพื่อเรื่องเดียวเท่านะั้นลำบากนักหนาเจ็บช้ำน้ำใจนักหนาก็ร้องไห้ซนะร้องไห้เสร็จแล้วดูหนังสือต่อแล้วดูหนังสือต่อแล้วเวลาที่พระอาจารย์ดูหนังสือไม่ใช่ดูผ่านๆนะดูไปด้วยมีประการเน้นข้อความเน้นตลอด และบางครั้งก็เขียนวิจารณ์ลงไปในหนังสือด้วยหนังสือยับขามือพังกันเป็นเล่มๆ เ, เอาคัตเตอร์มาชาแหละเอาทุกบดทุกบดทุกบดจนกระทั่งมาดูเสร็จแล้วเตี๊นหนึ่งตนสองของทุกคืนก่อนนอนหนังสือเนี่ยยับเยินขามือก่อนนอนพระอาจารย์ต้องเอาหนังสือมาวางบนหมอนจากนั้นขอขามาหนังสือคือดูหนังสือเหมือนกับกระทํำจำเราะหนังสือะ่ะเยินไม่มีชิ้นดี แล้วสีเนี่ยบอกได้เลยนะพระบาทยังจะเป็นสีรุ้งเลยในหนังสือประโยคสํสำคัญสำคัญขอ ง, ของพระพุทธเจ้าขีดนะของพระสาวกขี ด, ดตรงไหนที่เป็นคำศัพท์ยากเหลือเกินคีดฮนะทุกคืนก่อนนอนอก้มลงกราบหนังสือขอคามาว่าลูกรุนแรงไปหน่อยใช่ไหมทำอย่างนี้ ร้องไห้ไปด้วยหดหูไปด้วยให้กำลังใจตัวเองไปด้วยตัดสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตออกไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งวันสอบก็เดินทางมาถึงพระอาจารย์ไปสอบนั่งรถแท็ซี่ไปวัดสามพระยาตลอดทางเกือบอาเจียนออกมาเพราะอะไรเพราะอักข้อมูลเข้าไปเต็มที่เลยฝันเป็นภาษาบาลีกันแล้วกันนะน่ะ <c oughs> ฝันเป็นภาษาบาลีคิดดูดิพอไปถึงสนามสอบโอ้โหสอบกันเกือบพันเต็มสนามเลยประเด็นทำก้าประโยคเนีพระมหาเถระระดับกรรมการมหาเถระสมาคมมาเปิดสอบเองมีไมโครโฟนตั้งอยู่กลางห้องเหมือนแบบนี้พอกรรมการอาสนะสมาคมท่านเปิดข้อสอบให้โอว่าแต่ข้อสอบเสร็จปั๊บ นักศึกษารเรียนทำก็ประโยคซึ่งต้องสอบครั้งเดียวในหนึ่งปีได้เป็นได้ตกเป็นตกรับก็สอบแล้วพลิกดูพระาจารย์นะครั้งตึงไม่เป็น1ิบนาทีไม่ดูทำไมนึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่คลำดูในกระเป๋าอังสะาข้างในนะในนี้มีอะไรมีชายถุงของยมแม่ชายพ้าถุงตัดเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยมแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปไหนพกไปด้วยนะ เดินทางไปต่างประเทศเข้าบางังไปไหนที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเอาัอกใชายระาถุงอยอมแมตติดไปด้วยวันนั้นจะสอบแล้วเรียกความเชื่อมันเพื่อนเพื่อพลิกกระดาษดูแล้วอึง้งบางคนอันปการทัดหูเลยนะนั่นคือหมดสมภาพไปแล้วพอคนอื่นเปิดเข้าสอบหมดเราพลิกมาดูหัวใจเต้นคมคามปานจะกระเด็นกระดอนออกมาทางฝาพอเห็นข้อสอบปุ๊บชัยชื้นเลย โอ้นี่มันพระบรมราชวาาัตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเพิ่งพระราชทานไปไม่กี่วันนะแล้วมันอยู่ในหนังสือพิมพ์เดชบนญผนโงการเป็นนักอ่านนะมันพาหูพาตาเรามาแล้วนี่แต่เราจะต้องแปลทั้งหมดให้เป็นภาษาบาลีก่อนเต็ไมไปด้วยราชสาัพ่งมัญญา แต่นาทีนั้นเรารู้แล้วว่าปีนี้สอบได้มองไมโครโฟนนไม่อยากสอบนะอยากเดินไปตรงกลางห้องและยืนเฉลยกลางห้องตรงไมโครโฟนนั้นแนะให้มันรู้กันไปเลยว่าปีนี้เราสอบได้พอเขียนข้อสอบเสร็จปั๊บเดินออกมากลับมาเข้าเงียบที่จังไรรอฟังผลสอบลึกๆรู้อยู่ว่าน่าจะสอบได้ผ่านไปสองเดือนก็มีการตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบ บาลีนี่แปลกตัวอย่างหนึ่งนะพอตัวเข้อสอบเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นผลสอบประเด็นธรรมเจ9ดแปดเก้าจะประกาศและหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะต้องเล่นข่าวนี้เป็นธรรมเนียมมาจนทุกวันนี้พอกลางคืนลูกเสดทรศัพท์มาบอกอาจารย์ไม่ไปฟังผลสอบที่กรุงเทพนะเขาเงียบอยู่เชียงรายอยู่ในป่านุ่นลูกเสดทรั์มาบอกอาจารย์ รู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้มีประกาศคนสอบน่ะดูมันลูกเล่นของมันนะรู้สิเออพระอาจารย์ครับผมมีสองข่าวข่าวดีและก็ข่าวร้ายพระอาจารย์จะฟังข่าวไหนก่อนนะเอาข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะเออพระอาจารย์ครับทำใจดีๆนะครับข่าวร้ายครับ คือต่อไปผมผมไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมพระอาจารย์อีก แ, แล้วครับอันนี้แหละครับข่าวร้ายโอ้ยใจชื้นเราคิดมาสอบตกอ่าแล้วข่าวดีคืออะไรอาจารย์สอบได้ประเด็นทําก้าประโยคแล้วครับโอ้โหเท่านั้นเองดีใจออกมาเดินกลางสนามเท้าไม่ติดดินแล้วควรนุ่งขึ้นให้ลูกเกด็กไปซื้อหนังสือพิมทุกฉบับ เห็นชื่อตัวเองในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในข่าวสดในมติชนทุกฉบับเราสอบได้ไปเรีนนำาก้าประโยคและชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างที่ลูกศิษย์บอกเอาไว้จริงๆชีวิตของคนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ก็เหมือนคนที่จบโรงเรียนในร้อยจบปรอกรก็คือเข้าสู่เส้นทางของการทำงานอย่างเป็นกิจจารักษณะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเรามีผนังกำแพงทองแดงเหล็กก็คือว่าการที่มีวุฒิทางการศึกษา ร, ระดับสูงและเป็นเกียรตยิยศทางวิชาการระดับสูงถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานนิตยภพตลอดชีพนิตยภพคือปัจจัยโอปถธรรมบำรุงปัจจัยสี่ตลอดชีพจาราศขาต้องกลาบงคมทุลลาก็เลยไปมีชีวิตอีกระดับหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อันนี้เล่าให้ลูกหลานทั้งหลายฟังไม่ใช่ว่าพระอาจารย์หลงตัวเองนะลูกนะแต่พระอาจารย์อยากบอกลูกหลานทั้งหลายว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จมันจะต้องผ่านช่วงเวลาของการบ่มเพาะมันไม่ไก่มต้องฟักไข่ความสำเร็จมันจะไม่เกิดง่ายๆแค่เอามือล้งกระเป๋าแล้วก็เดินมาเดินไปตื่นขึ้นมาได้เอร้นมันไม่มีหรอกลูก มันต้องรองให้กันหลายยกหวานอมขอเกลืนนครั้งไม่ท้วนและจะต้องให้กำลังใจตัวเองจะต้องสร้างวิธีที่จะปลุกขวัญของตัวเองขึ้นมาและแน่นอนนี่สุดเพื่อที่จะไปให้ถึงฝังฝันก็ต้องตัดสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตออกไปน้องทั้งหลายก็เหมือนกันจะต้องปฏิเสธทาสิ่ง่อเลือกบางสิ่งเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียน เดี๋ยวเกมคอมพิวเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเพื่อน ต, าต่างเทศทั้งคนรักมีอยู่คณะหนึ่งไปอีกคณะหนึ่งมีกิกเป็นเล่นกีฬาเจออีกคนหนึ่งถูกใจคบอีกเรียกกั พอเป็นรุ่นพี่ปีสามมีน้องใหม่ปีหนึ่งมาถูกออกถูกใจพบและอุปถัมภ์ช่วยทำการบ้านอีกคนหนึ่งเป็นสี่คนที่สี่นี่เขาเรียกควิกกิกบวกควะบวกควายเป็นควิกกิกเนือเป็นกิกนึงแหละน้องอยากแม่อะไรที่ต้องควะค่าเทอมพ่อแม่ส่งมาให้ใจค่าเทอมเอาไปควะเลี้ยงน้องหมด แล้วควักควักช้าๆไม่ได้ไม่ทันใจเดี๋ยวเขาเวียนเดี๋ยวเขาเวียงต้องรีบควักก็ไปควิดใช่ไหมคออะไรให้หมดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเป็นรุ่นพี่ใจดีทําตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์หารู้ไหมว่าเขาตันหลอกกินไปวันๆไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งถูกก็หลอกอันนี้เรียกควาย รวมกันเป็นสัใหม่เรียกว่าควิกมีคนรักมีกิจมีกัรแล้วก็มีควิกอามาระวรังแนี่คือกับดักของนักเรียนนักศึกษาลูกต้องปฏิเสธนับพันสิ่งเพื่อเลือกที่จะเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไว้เหมือนที่พระอาจารย์ปฏิเสธนังชิปิมปฏิเสธรายการโทรทัศน์ปฏิเสธการ เดินทางไปโน่นมานี่ปฏิเสธการนัดพบปะยากยอมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของเราเระวังให้หมดมองไปข้างหน้าทงแห่งเป้าหมายคือประเด็นธรรมก้าวไปหยค อ, อยู่ตรงนั้นเดินตรงไปไม่เฉฉเยออกนอกทางลูกทั้งหลายกันเหมือ น, นั้นเป้าหมายคือปริญญามุ่งไปตรงนั้นเอาตรงนั้นให้ได้ก่อนเรื่องแฟนคบได้แต่อย่าไปทุ่มเทจนเสียการเรียง อย่าเสติดเลิกไปเลยเพื่อนเกดมเร็ดเกเรเลิกไปเลยวางรักฐานของชีวิตด้วยการศึกษาก่อนฐานของฐานของตึกคืฐานของชีวิตคือการศึกษายังคงใช้ได้เสมอมาจนทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าส่วนตัวแท้ๆของอาจารย์อยากจะเล่าฝากลูกหลานถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องมีวิธี ที่จะบริหารจัด ก, การชีวิตนักศึกษาของตัวเองให้ได้และให้เป็นแน่นอนไม่ง่ายแต่ว่าปรากอทนนั้นเบื้องต้นผมเขินแต่บ้านทายนั้นหวานหอมสดชื่นรื่นเยินคนที่การศึกษาดีนั้นจะได้อะไรก็ได้ดีกว่าคนอื่น จะทําอะไรก็ทําได้ดีกว่าคนอื่นจะไปพบใครก็ได้พบคนที่ดีกว่าคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้พบและประสบได้เจอจะเป็นสิ่งดีๆที่เลือกสรรมาแล้วทั้งนั้นส่วนคนที่ไม่ตั้งใจเรียนก็จะมีชีวิตอีกระดับหนึ่งทําอะไรก็จะซวยทั้งปีทั้งชาเดินเล่นอยู่ดีๆในโรงเรียนความซวยก็หล่นใส่หัวโครมคนไม่ตั้งใจเรียนจะเป็นอย่างนั้น ส่วนคนมีปัญญาเพราตั้งใจเรียนนั้นโชคหล่นใจหวัวอยู่เรื่อยนะเดินไปเดินมาโชคหล่นใจโครมอย่างพระอาจารย์เป็นพระอยู่อย่างเนี้ยอยู่ๆโชคหล่นใจปีนี้มีคนมาจองก็เห็นกี่เจ้ารู้รู้ไหมห้เจ้า ว, วัดอื่นก็อยากมีกระถิน่นต้องขอแล้วขออีกนะของพระอาจารย์ไม่รู้จะรับของใครดีมีแต่คนนําโชคมาให้ เทศอยู่ดีๆบางครั้งโยมเดินเข้ามาหาเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งอะไรโยมโยมชื่นชมธรรมะของท่านมากดีเหลือเกินเจ้าค่ะไม่รู้จะถวายอะไรก็ขอถวายที่เด่นหนึ่งร้อยไเจ้าค่ะนะเนี่ยถ้ามีปัญญาแล้วนะโชค ม, มันเดินเข้ามาหานะเห็นไหมหรือบางครั้งไปสแสดงธรรมพูดครึ่ชงชั่วโมง ติดกันเทศตั้งแสนหนึ่งตกใจเอามาให้ทำไมเยอะแยะยมเอาไปแบ่งออกสักครึ่งหนึ่งได้ัหยเยอะไปไปต่างประเทศไปอเมริกาพอไปถึงปุ๊บล ง, งเรืเ่องป็นไปยืนต่อแถวสักพักหนึ่งมีนายทหารของอเมริกาเดินมารับท่านคือท่านวอใช่ไหมครับใช่ยมทำไม พอดีทางผู้ใหญ่ของยูเอ็นให้มารับครับอ้าวพอไปถึงปุ๊กแทนที่จะได้ไปงานไปยิ่มตึกยูเอก่อนเห็นไหมเกียรติโชคไหลมาเทมาได้เดินทางไปต่างประเทศจนเป็นเรื่องปกตินี่พระจาจาร์ไปปารีสไปลอนดอนไปนิวยอร์กเนี่ยเหมือนเหมือนนั่งเครื่องบินข้ามมวยไปเลยนะง่ายๆเห็นไหม นี่คืออะไรความอดทนในเบื้องต้นมันขมขืนแต่ในบั้นปลายนั้นมันหวานชื่นเสมอพระอาจารย์จึงเขียนเตือนตัวเองเอาไว้ตอนที่เป็นนักศึกษาว่าความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนลูกกล้าอดกล้าทนไหมถ้าลูกกล้าอดกล้าทนวันหนึ่งจะถึงวันซึ่งลูกเป็นฝ่ายเลือกใช้ใชีวิต มีชีวิตที่ได้ใช้ไม่ใช่ศักด์แต่ว่าใช้ชีวิตเราจะได้ทํางานที่ชอบและมีชีวิตที่ใช้ถ้าเราตั้งใจวางรากฐานแห่งการศึกษาของเราให้ดีที่สุดตั้งแต่เราอายุอย่างน้อยนี่คือเรื่องราวที่พระอาจารย์ขอฝากเป็นธรรมวิทยาทานให้ลูกหลานนักศึกษาทั้งหลายเอาละทีนี้มาดูอีกสองเรื่อง พระอาจารย์มีหนังสือในดวงใจอยู่หลายเล่มหนึ่งในลหลายๆเล่มคือเล่มนี้ชุดประดานามและผีเสื้อเปลี่ยนปกทุกครั้งพระอาจารย์ก็ซื้อเก็บทุกครั้งชุดประดานามและผีเสื้อเขียนโดยชองโดเมนิกบอบี้ต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่คือหนังสือที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและเป็นหนังสือที่เล่าลือกันว่าเขียนยากที่สุดในโลก เท่าอะไรเขียนยังไงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนด้วยมือไม่ได้พิมพ์โดยการพรมนิ้วมือลงบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตรเอร์แต่ว่าผู้เขียนเล่มนี้เขียนหนังสือขนาดที่เป็นอำมาผ้าทั้งตัวขยับได้แค่เปลือกตาซ้ายเท่านั้นพูดไม่ได้มือไม้แข้งขาขยับไม่ได้ ขยับไ้แค่เปลือกตาซ้ายเท่านั้นเองถึงขั้นนั้นก็ยังมีเจตนารมอยากเขียนงานชิ้นเอกฝากไว้ในโลกสัชิ้นหนึ่งจึงร่มต้นเขียนงานชิ้นนี้หวังจะให้เป็นวรรณกรรมเป็นอนุสรสถานแห่งกาลเวลาสำหรับตัวเองที่ครั้งหนึ่งได้เดินผ่านโลกนี้เมื่อลงมือเขียนเขาขอให้เลขามาช่วยเลขาทาหน้าที่ขานตัวสอนส่วนตัวเขา คำนาที่เลือกตัวอักษรเพื่อมาเขียนทีนละคำวิธีการก็ไม่ง่ายนะอภิ อ, อ ม, มะตมะมหายากพระอาจารย์เขียนหนังสือมาร้อยสิบกว่าเล่มยังไม่เคยเจออะไรที่มันยากเย็นแสนเขียนขนาดนี้วิธีการก็คือเขาจะนอนแบบอยู่บนเตียงขยับได้แค่เปลือกตาซ้าย เลขาเดินวนไปวนมาขานตัวสองทีละตัวเช่นเขาจะเขียนคำว่าเลอหนึ่งคำเลขาก็ต้องขานเอถึง Z เลยนะเ B C D E F ด H I อ K L J L อเค้อเอเขาไปตัวหนึ่งเขาจะกระพิบเปลือกตาหนึ่งครั้งพอกระพิบเปลืตาหนึ่งครั้งเลขาเขาเขียนบนกระดานอาละได้มาหนึ่งตัว แล้วตัวที่สองเ่ก็ต้องมาเดาใจเจ้านายใหม่ว่านายจะเลือกอักษรตัวไหนเขาก็ขานตัวอักษรอีก a b c d e f g j k l m n o พอไดโอมาตัวหนึ่งชองโดเมนิกกับพิษเปลือกตาหนึ่งครั้งเลยขาเขียนบนกระดาษผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้สองตัวแล้วจะเขียนอะไรอีกแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้จะเดาใจยังไงก็ต้องขานม่ A B C D E F G H ได้วมาละเขียนวีลงไปเอ๊ว V แล้วอะไรอ่ะเริ่มใหม่ A B C D E พออีปั๊บชองโดเมนิกกระพริบเปลือกตาขยับเปลือกตาเลยขาเขียนอหนึ่งชั่วโมงได้คำว่า l e so a r มาตัวหนึ่ง อักษรที่ละอักษรมารวมกันเป็นคำทีละคำคำทีละคำรวมกันเป็นประโยคประโยคแต่ละประโยคมารวมกันเป็นบันทัดแต่ละบันทัดมารวมกันเป็นย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามารวมกันเป็นหนึ่งหน้าแต่ละหน้ามารวมกันเป็นหลายๆหน้าแต่ละหลายๆหน้ามารวมกันเป็นบทแต่ละบทรวมกันเป็นเล่ม นี่คือนังสือที่เลือกันว่าเขียนยากที่สุดในโลกแต่แม้จะยากเย็นแสนเขียนยังไงก็ตามในที่สุดหนังสือเล่ม น, นี้ก็เขียนได้สําเร็จแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าพอหนังสือตีพินได้เพียงไม่กี่วันเจ้าของหนังสือก็จากโลกนี้ไปน่าเศร้านะสิ่งดีๆเรามักจะมีเวลาอยู่กับมันไม่นาน ผู้แปลได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้เอาไว้แพร่เระมากอยากให้น้องๆได้ฟังพระอาจารย์จะลองอ่านดูนะนี่เป็นหนังสือที่น่าทึ่งคือผู้เขียนเขียนเรื่องนี้ขนาดป่วยเป็นอัมาพาตทั้งตัวเขียนด้วยวิธีเลิกเปลือกตาให้ผู้ช่วยขานอักษรทีละตัวเพื่อเลือกตัวอักษรเหล่านั้นทีละตัวจนได้หนึ่งคำทีละคำเรียงกันไปจนเป็นประโยค กระทั่งจบเล่มงานชิ้นนี้วงบอกสิ่งสำคัญแก่ผู้มีชีวิตและต้องมีชีวิตต่อไปในโลกจะได้วความรื่นรมหึงใจหรือไม่ก็ต่างว่าเมือ่อโชคดีได้มีชีวิตเป็นมนุษย์ควรหาโอกาสทำสิ่งที่ดีที่สุดฝากไว้ในโลกแม้เพียงสักชิ้นหนึ่งยิ่งใหญ่หั้ยถ้าลูกอยากจะหาหนังสือฝากใครสักคนแล้วก็ ชุดประดานามและมีเชื่อประวัติของหนังสือเล่ม น, นี้เป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ยิ่งกว่าตัวหนังสือที่อยู่ข้างในชวันไหนก็ตามที่เราท้อเราเหนื่อยเราหดหัวกับชีวิตมองไปทางไหนเห็นแต่ความมืดดูเหมือนว่าธงชัยแห่งความฝันมันอยู่ไกลเหลือเกินนึกถึง ชองโดมินิกโบบี้โดมินิกโบบี้เขียนหนังสือด้วยการเลิกตแต่เขายังทําได้สําเร็จแล้วทําไมเราจะมานั่งถออยู่ตรงนี้นี่คือหนังสือแห่งแรงบันดาลใจที่เป็นหนังสือในดวงใจของพระอาจารย์เป็นหนังสือแห่งความหวังเป็นหนังสือแห่งกําลังใจเป็นหนังสือสําหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต มาดูอีกเล่มหนึงเล่มนี้เป็นหนังสือสําคัญอีกแล้วเป็นหนังสือขายดีด้วยเป็นหนังสือรวมสุนทรพจน์ของบุคคลสําคัญของโลกซึ่งไปกล่าวในวันรับปริญญาที่อเมริกานั้นมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งคือในวันรับปริญญาจะไม่เน้นถ่ายรูปเหมือนเมืองไทยนะมีไทยนี่ถ่ายรูป ก, กันจังเลยเนาะถ่ายเป็นมหากราบเลยนะ วันก่อนเพิ่งไปงานรับปริญญาของลูกศิษย์รอาจารย์ไปเฉพาะวันจริงเท่านั้นแหละเอารถตู้โฉบไปแล้วก็ลงถ่ายรูป5นาทีเราร่งรีบขึ้นเลยเพราะรู้ดีว่าถ้ามีคนเห็นจะเกิดอะไรขึ้นเคยโผล่ไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งหนึ่งบัณฑิตยั่กันถ่ายรูปถึงขั้นตกคูน้ำเลย เมืองไายเน้นถ่ายรูป ก, กันจังแต่ที่อเมริกาในวันรับปริญญาสิ่งที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสําคัญรู้ไหมคืออะไรก่อนรับปริญญาจะมีบุคคลสําคัญที่ได้รั บ, รบดุษเดีบัณฑิตเกตินมัสส์มากล่าวสุนทรพจน์และหนังสือเล่มนี้คือรวมสุนทรพจน์บุคคลสําคัญของอเมริกาและทั่วโลกหนึ่งในสุนทรพจน์ชั้นยอดก็คือสุนทรพจน์ของสตีฟจ็อบส์พวกเรารู้จังไหม ซิดจอบเจ้าของบริษัทแอปเปลิลผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ m a c i ินท s h m a แ b o o k Air MacBook Pro และไอ o n e ซึ่งเปลี่ยนโลกของการติดต่อสื่อสาราปชั่ว น, นิรันดร์ผู้ชายคนนี้เป็นอัจฉริยะลาจากมหาวิทยาลัยตั้งสองครั้งเรียนไม่จบเกิดมาถูกพ่อแม่ทิ้งแต่แล้วกลับกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในโลก วันที่เราเสียชีวิตคนสําคัญทั่วโลกลุกขึ้นกล่าวคําไว้อะไรยสถานีวิทยุโทรทัศน์รายงานข่าวกันทั่วทั้งโลกปีที่แล้วพระอาจารย์อยู่ที่อังกฤษคณะคณนักอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดวันนั้นเขาเสียชีวิตพระอาจารย์นั่งดูค่าวพระอาจารย์อยู่ในช่วงเตรียมสุนทรภพดไปพูดที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาเชิญไว้เรื่องหนึง่งพูดวันที่เก้าแต่สเตจ็อเสียชีวิตวันที่ห้า พระอาจารย์เปลี่ยนเรื่องเลยพูดเรื่องซิสจ๊อเพราะอะไรเพราะว่า น, นั่งดูสถานีโทรทัศน์ของเป็ะทุกช่องเลยนะมีบีซีเออะไรเออรเนี่ยนะรายงานเรื่องของคนคนนี้เป็นอาทิตย์พระอาจารย์ก็สนใจมากลุกขึ้นมาศึกษาค้นขวาแล้วก็ได้อ่านสุนทรพจน์ของเขาก่อนที่จะมารวมอยู่ในเลื่อนี้ในสุนทรพจน์ของซิจอบนี่เอง พระาจารย์ได้คนพบบทเปรียนหลายบาซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากบทเรียนหนึ่งก็คือการมองโลกในแง่บวกมองเชิงบวกพอสติถิติสิงห์การคิดบวกสติจอบเกิดมาท่ามกลางสภาวะที่ไม่พร้อมพ่อแม่เป็นนักศึกษาเรียนประญญาเออยู่อิกกันมีอะไรกัน แล้วก็เลยลาพักไปคลอดลูกสติช็อกก็เลยเป็นผลวงของความล้มเหลวของคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเกิดมาแล้วแม่ไม่กล้าเลี้ยงพอมีกล้าเลี้ยงเข้าไปบริจาคพอบริจาคแล้วเนี่ยก็มีคนมาเลือกมาช้อปปิ้งเด็กจากโรงพยาบาลคุณพอลและคุณคลาร่าจมาเลือกเอาเจ้าหนูคนนี้ไป เอาไปแล้วตั้งชื่อว่าสตีเวนโฮจ็อบวันหนึ่งขณะกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็ชีนแม่บอกว่านี่ฉันได้ข่าวว่าเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่แท้จริงใช่ไหมพ่อแม่ของเธอนี่เป็นพ่อบุญธรรมใช่ไหม s t ีฟจ็อบสเราให้ฟังว่านาเทีนั้นเหมือนฟ้าผ่าฟ้าเปรี้ยงลงบนกระบาลเขาร้องไห้วิ่งไปหาพ่อกับแม่ แล้วถามาความจริงพ่อครับผมไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่พ่อตระกองก่อนแล้วก็ลูกหัวลูกใครบอกว่าลูกไม่ใช่ลูกของพ่อลูกรู้ไหมลูกไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งพ่อกับแม่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วเป็นเลือกลูกขึ้นมาจากตะกร้าเลยนะ มีเด็กเป็นร้อยๆเลยลูกแต่ทําไมพ่อไม่เลือกคนอื่นน่ะทําไมแม่มีเลือกคนอื่นทําไมพ่อกับแม่เลือกลูกมาเป็นลูกของพ่อฉะนั้นลูกโปรดจําไว้ลูกไม่ใช่เด็กที่ถูกทิ้งแต่ลูกเป็นเด็กที่ถูกเลือกสุดยอดของการมองโลกในเชิงบวกนอกจากนั้นมาร์ติสจัอมองอะไรบวกหมดเลย วันหนึ่งก่อตั้งบริษัทแอปเปิ Apple, มีเงินมหาศาลอายุ21มีเงินเป็นร้อยล้านดอลลาร์รวยพี่มหมารวยได้ขึ้นปกนิตยสารไทมอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ขึ้นปกนิตยสารส่วนที่คลของโลกเล่มนี้มากที่สุดเพราะเขาขึ้นปกไทมถึง8ครั้งวันหนึ่งเมื่อก่อตั้งบริษัทแล้วครบ10 ป, ปีเขาอยากได้คนที่เก่งที่สุดมาช่วยการตลาดเขาจึงไปเชิญเอาจอร์สแกลลี่ ซึ่งเป็นสุดยอดซ e o ของ Pepsi มาช่วยงานเพราะเขาอยากขายคอมพิวเตอร์ Apple ให้ได้เยอะๆพอเชิญจอห์นสแกลลี่มาช่วยงานได้สองปีต่นนั้นเองต่อมาขัดแย้งกันเพราะขัดแย้งกันจอห์นสแกลลี่ประชุมกรรมการบอร์ดกรรมการบอร์ดทั้งหมดโหวตเลือกระหว่างจอห์นสแกลลี่ซึ่งเป็นซ e o โอคนใหม่ที่สเตจ Job ไปเชิญมา กับสตีฟจ็อบซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมากรมือรวมี่กรรมการเลือกใครเลือกซี o โอคนใหม่สตีฟจ็อบหัวใจสลายเดินออกจากบริษัทของเองเหมือนหมาหัวเน่ารองไห้บ้าบอขอแต่เดินทางทั่วโลกหกเดือนกว่าจะตั้งตัวได้ แต่วันหนึ่งเมื่อครบสิบปีเขากลับไปที่ a อ p l e อีกครั้งหนึ่งเขาไปกู้บริษัทซึ่งล้มพังภาพไปแล้วฮะด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ m a ค b o o k a อ r คอมพิวเตอร์ตระกูลแม็ทั้งหลายจากนั้นก็ผลิตไอ p อรพอไอพอร์ออกมาเนี่ยวอลเป็นของโซนี้ตายนานเลยนะไม่มีใครใช้อีกเลย จากนั้นไอโ n นแล้วตามด้วยไอแพทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปหมดเลยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีสัพพะคุณร้อยชนิดเหลือเชื่อไหมวันนี้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตอนนั้นเขายังไม่ดังเขาไปพูดเขาบอกนักศึกษาว่าน้องรู้ไหมพี่นะอยากทำคอมพิวเตอร์หิเล็กโตฝ่ามือ นักศึกษายกมือถามพี่พี่จับวันนี้กินยามาหรือเปล่าเนี่ยคอมม่าที่ไหนมันจะเล็กเท่าฝ่ามือในยุคนั้นคอมพิวเตอร์เมนเฟรมใหญ่เท่าบ้านนะแต่ทุกวันนี้เป็นไปได้ไหมคอมพิวเตอร์เหลือเท่าฝ่ามือลูกเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาไปพูดที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผม คือการถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตั้งมาเองกับมือลูกทั้งหลายฟังไว้นะถูกไล่ออกมันดีตรงไหนเราอยู่ในบ้านอะบ้านสร้างมากับมือมีคนมาไล่ออกอะเราบอกว่าดีที่สุดในช่วงนั้นมีกี่คนที่จะพูดอย่างนั้นอย่าว่าออกจากบ้านเลยอะนั่งเก้าอี้อยู่ตรงนี้เดียดีมีคนมาที่หลังแล้วมาขอนั่งแทนที่เราเราพอใจมเราไม่พอใจหรอก นั่นตั้งบริษัทมากับมือมีสินทรัพย์เป็นพันล้าน u s เอสดอลลาแล้วถูไล่ออกเฉยเลยแต่เมื่อมีคนไปถามเขาบอกว่าประสบการณ์ตรงนั้นคือช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะว่ามันทาให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองทำไมตอบอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เขาอยู่บริษัทเดิมกรรมการไม่เข้าใจเขา เขามีคอมพิวเตอร์ดีๆอยู่ในหัวพอเขาที่ประชุมกรรมการบอกแพงไปทำไม่ได้เทคโนโลยีไม่ถึงอย่าฝันไปเลยในที่สำคัญตอนนั้นวุี่ภาวะของจ็อบส์เองก็ยังไม่ได้อายุแค่สามสิบเขาเป็นคนปากกระใจตรงกันพูดก็ไม่เข้าหูคนตั้งบริษัทมาก็จรงิงแต่บริหารก็ไม่เป็นกรรมการก็ไม่ชอบขีหน้าไอเดียก็ไม่ตรงกัน เขาบอกว่าผมถูกเตะออกมาซะได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพอผมออกมาปุ๊บผมตั้งบริษัทใหม่ทีนี้ผมอยากออกแบบนวัต ก, กรรมยังไงออกแบบนวัต ก, กรรมยังไงผมก็ทำของหมอสุดท้ายเขาจึงได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดให้กับโลกที่บริษัทใหม่คือบริษัทเน็ตจากบริษัทเน็ตไอเดียยังน้นเหลือนะไปซื้อบริษัทของจอห์นลูคัส ซึ่งกำลังจะล้มและเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ยังไม่มีหนังแอนิเมชั่นสักเรื่องเซฟจับไปซื้อและส่งเสริมลูกทีมให้ทําภาพยนตร์แอนิเมชั่นจนได้รางวัลออสการ์เอเจลนาโจลี่ชิดท้ายหละเล่นเต็มที่สู้แอนิเมชั่นไม่ได้ทอยสตอรีได้รางวัลอสการ์ผลงานที่นี้ทําให้โพดิสนี่ตกใจว่เฮ้ยเดี๋ยวนี้การ์ตูนมันอัจฉริยะขนาดนี้เลยหรือ ยึงไปซื้อบริษัทปิกซาของซิจ๊อบซิดจ๊อบเลยกลายเป็นผู้ประถือหุ้นอันดับหนึ่งของบอร์ดิสนีย์ทุกไดออกมาจากหนึ่งบริษัทตั้งใหม่อีกสามบริษัทเขาเล่าว่าถ้าผมไม่ถูกไล่ออกจากบริษัทเดิมนะก็คงไม่ค้นพบตัวเองลูกเห็นหรืยอยังบางครั้งความทุกข์แฝงตัวมาในรูปของความส หรือบางครั้งความสุขก็จำแรงตัวมาในนามของความทุกข์บางครั้งความสำเร็จก็แปลงตัวเองมาในนามของความล้มเหลวก่อนฉะนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตไปเมื่อเราทางานไปเจอสุขเจอทุกข์อย่าได้กลัวซิ์จ๊อบบอกเราว่าอย่าได้กลัวความทุกข์อย่าได้หลงความสุข เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะเขาได้ปลดปล่อยศักยภาพที่มีทั้งหมดออกมาสร้างสรรค์ น, นวัตกรรมอย่างที่เขาอยากจะทำจนในที่สุดเมื่อเขาประสบความสำเร็จบริษัทเดิมคือ Apple กรรมาการก็ประชุมกันว่าอยู่ไปอย่างนี้ไม่ไหวแน่ไปเชิญเขากลับเข้ามาบริหารตรงนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมตะกูลไอโฟนไอ i p ร์อะไรก็เริ่มต้นในยุคนี้ และก่อนจะจากโลกนี้ไปบริษัทเขาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกเห็นหรือยังคนที่เกิดมาถูกพ่อแม่ทิ้งคนที่ตั้งบริษัทมากับมือถูกไล่ออกคนที่เรียนมหาวิทยาลัยไม่จบไม่ได้หมายความว่าต้นทุนติดลบเหล่านี้จะต้องทำให้เขาล้มเหลวเสมอไปถ้าใจยังสู้ใครต่อใครก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้ทั้งนั้น เนั้นนุกน้อ ง, องทั้งหลายลองคิดดูนะเราอาจจะมาจากตระกูลที่ไม่พร้อมมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ถ้าลูกรักดีและฝ่ายดีแค่ อ, อย่างเดียววันหนึ่งประสบความสําเร็จได้สตจ๊อกคือตัวอย่างคนคิดบวกที่เชื่อเห็นว่าแม้จะมีต้นทุนที่ต่ําติดลบยังไงก็ตามถ้ารักดีและฝ่ายดี วันหนึ่งคนที่ติดลบก็กลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่สร้างชีวิตที่บวกสุดๆให้กับตัวเองและก็ให้กับโลกได้ในหนังสือเล่มนี้ซิดจ๊อบเขาเล่าว่าเขามีสุภาษิตประจำใจอยู่บทหนึ่งเขาชอบมากเขาไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยก็จริงนะแต่เจ้าหมอนี่เป็นนักอ่านตัวยงมีนิตยาาสารฉบับหนึ่งเขารับประจาเขาบอกวัานั่นคือต้นกาเนิดของกูเกิลในบท น, นี้ เป็นแคตตาล็อกรวมสัพาพาวิชาความรู้ต่างๆเขารับประจำแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเจอคำคมในปกหลังของนิทารเล่มนั้นและนัแต่นั้นเขาถือเอาคำคมนี้เป็นสุภาษิตประจำใจของตัวเองนั่นก็คือบทที่ว่า stay hungry stay foolish แปลว่าอะไรจงหิวกระหายจงละไม้ขนโง่ จงหิวกระหายจงล้าไม้ขรนงอมหมายมความอะไรจงหิวกระหายก็คือจงกระหายในวิชาความรู้อยู่เสม อ, อยันเหนื่อยอย่าลากับการทำตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หนังสือก็ต้องอา่านโทรทัศน์ก็ต้องดูอินเทอร์เน็ตก็ต้องค้น เก่งแค่ไหนถ้าใครมาพูดอะไรให้ฟังก็แส้โง่อะ่าไปขัดลำกล้องเขาอย่าไปบอกว่าหูเรื่องนี้เหรอฟังมาแล้วรู้ดีอยู่แล้วพี่ไม่ต้องพูดอย่าทําตนเป็นน้ําล่นแก้วเช่นนั้นทําตนเป็นน้ำขึ้นแก้วจงกระหายในสภาวิชาดังดันหนึ่งคนที่เดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแล้วกระหายน้ํา เรียกว่าแส่งโง่ say hungry say foolish แส่งโง่ก็คือรู้แค่ไหนก็ไม่อหังการไม่พยองฟังใครมาพูดอะไรก็ฟังรู้ดีก็ฟังไม่เคยรู้เลยก็ฟังคนจรจาพูดก็ฟังจะได้ปัญญาเพิ่มคนโง่พูดก็ฟังจะได้รู้ว่าจะได้ไม่ทำอะไรโง่โง่อย่างเขาเห็นไหม พระอาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เยอะๆเลยเป็นสิบยีสิบเล่มวันหนึ่งบอกลูกศิษย์ว่าเขียนดีพระอาจารย์ก็ อ, อ่าน mm hmm. เขียนไม่ดีมาพระอาจารย์ก็ อ, อ่าน mm hmm. นิสิตปริญญาเอกคนหนึ่งก็ถามว่าพระอาจารย์ครับเขียนดีพระอาจารย์ก็ อ, อ่านเนี่ยผมเข้าใจแต่เขียนไม่ดีเนี่ยขอโทษนะครับพระอาจารย์จะอ่านไปทําไมครับ อาจารย์ก็บอกว่าเขียนดีเนี่ยอาจารย์ก็จะอ่านแล้วก็จะได้เรียนรู้ไงว่าหนังสือที่เขียนดีๆงานวิจัยดีๆเขาเขียนกันยังไงแต่ถ้าเขียนแย่ๆอาจารย์ก็จะได้รู้ว่างานแย่ๆเขาทํากันยังไงจะได้ไม่ต้องไปทําตามนี่คือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หิวกระหายและแสร้งโง่ให้เป็นอย่าหลงตัวเองอย่าหาังการทําตนเป็นน้ํำขึ้นแก้ว ประมาจารย์ของจื้อซึ่งน่าจะเดีวันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรามีสถาบันภาษาสถาบันภาษาของจื้อสถาบันภาษาซีวเวียนทอนซึ่งเอาภูมิปัญญาของปราจียนเยอะแยะมากมายมาให้เราได้เรียนรู้ด้วยเนี่ยคงจื้อว่าอย่างนี้ถ้ามีคนสองคนเดินผ่านพระพเจ้ามาสองคนนั้นเป็นครูของพระพเจ้าได้ทั้งคู่ สำหรับคนเก่งและคนดีข้าพเจ้าจะเจริญรอยตามเขาแต่สำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจงอย่าทำอย่างนั้นนี่คือปราดเอาประโยชน์จากทุกทุกสถานการณ์ฉะนั้น Stay hungry Stay foolish ก็คือจงทำตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอแล้วเราจะกลายเป็นทะเลแห่งปัญญา ทำไมทะเลจึงได้ชื่อว่าทะเลทำไมมหาสมุทรจึงได้ชื่อว่ามหาสมุทรก็เพราะว่าทะเลหรือมหาสมุทรไม่รังเกียจน้ำทุกสายที่ไหลมารวมมาเถอะป็นวังยมนั่นไหลามาเถอะน้ำปาา่าซักน้ำอะไรก็ไหลมาเถอะทะเลอ่ะกันมหสมุทรพอเรารับน้ำจากทุกสายน้ำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากแอ่งน้ำกลายเป็นทะเลจากทะเลกลายเป็นมหาสมุทร ฉะนั้นปราจีนจึงว่าการที่ทะเลครองตนเป็นเจ้าแห่งน้ำก็เพราะวางตนอยู่ในที่ต่ำพร้อมที่จะรองรับน้ำทุกสายที่ไหลมารวมฉันใดคนที่จะเป็นยอดคนก็เพราะวางตนต่ำออนน้อมท่อมตนดั่งน้ำาครื่องแก้วหรือดั่งทะเลที่ไม่อิ่มไม่พอกับการแสวงหาวิชาความรู้นี่คือ stay h u n g r stay foolish ลูกทั้งหลายลองคิดดูสิ ถ้าเราถือสือพระเศียนี้เป็นคติธรรมประจำใจลูกจะได้กาไรจากทุกคนจากทุกเหตุการณ์จากทุกสภาพแวดลอ้อมจากทุกดวงปรากราชบัณฑิตและแน่นอนที่สุดวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักปราชคนต่อไปถ้าถือคติอย่างนี้มาเป็นหลักธรรมนำชีวิตฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ขอฝากสามเรื่องที่แต่ละคนรู้จักเปลี่ยนเคราะห์ ให้เป็นโชคเปลี่ยนนิปรยคให้เป็นโอกาสเราคงไม่ได้มีชีวิตอาภัพขนาดชองโดมิเนกคงไม่ได้มีชีวิตเทนน่าเศร้าขนาดสติจอบเราต้องทนดีกว่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จที่ประเสริฐเลิ่นลำยิ่งกว่านั้นให้ได้ในทานที่ส่วนนี้ตมาพระอาจารย์ ขออนุโมทนาสาธุ ก, การทุกท่านทุกคนน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาคณ า, าจารย์ที่ได้ตั้งใจฟังขอให้กุศลบุญราศีนี้อำนวยโอยชัยให้เราทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยทั่วนากันทุกท่านทุกคนเทิน ยายเรื่องจงหิวกระหายจงละไม้คนโง่โดยท่านวาวชิระเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านกรุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นหลับตาลงยิ้ม น, น้อยๆที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจ ให้สบายสบาย